ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในหลมโพ่ทธยานในวันนี้คงพูดเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติแ ล, ล้กถึงธรรมะธรรมะในที่นี้เป็นการนำเอาธรรมะทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆงและพทั้งที่เป็นกุศล มาศึกษาสำเนียงพินัทพิจารณากันคือเรียกว่าันเหมือนกระบทสรุปโดยใครจะเป็นนิสยัยจิตใจ ย, ยังไงมีจริตเป็นมาอย่างไงก็ตามเนี่มาเจอธรรมานุปัสสนาสติปทานแล้วก็ปล่อยได้ลำดั บ, บโครงสร้างในพระพุทธธรรมหลักนั้นคือใช้โครงสร้างเดียวกันเราสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมน่งนงจู ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมใ น, นนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์หภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมใ น, นนี้เมื่อกามฉันคือความพอใจในกามคุณมีในจิตก็รู้ชัดว่าในขณะนี้กามฉันมีอยู่ภายในจิตของเรา หรือเมื่อกามฉันไม่มีภายในจิตก็รู้ชัดว่าในขณะนี้กามฉันไม่มีภายในจิตหนึ่งเมื่อกามฉันที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นกามฉันที่เกิดขึ้นแล้วจะล่าเสียได้โดยประการใดก็รู้โดยประการนั้นหนึกามฉันที่ตนละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกด้วยประการใดก็รู้โดยประการนั้นนี่คือหลักการนะฮะเป็นโครงสร้างหลักที่ คุณสันเกตว่าจางการเจริญกรรมฐานเนี่ยที่จริงก็มุ่งไปสู่ส ง, สงบนิวรณ์ทั้งห้าประการน่แหละสมถะกรรมฐานทั้งหมดก็เกิดผลที่สงบนิวรณ์ทั้งหประการวันวิธีการที่เกี่ยวกับนิวรณเนี่ยจึงทรงจำแนงแสดงไว้เรียกว่าอนเนกกรรมปิยายแหละอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดสมถะกรรมฐานก็มีทั้งสี่สิ แนวหมายสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราลองนับแล้วก็ประมาณยี่สิบเอ็ดข้อยี่บเ็ดหัวข้อวิปัสนาจริงๆเนี่ยมีอารมณ์หกหมวดจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราแยกออกไปแล้วเนี่ยมันได้ถึงเจ็ดสิบวารมในกรณีของการใช้สติระลึกก็เน้นไปที่การสงบมี่วน เพระท่านยังนิยามไมว่าการปฏิบัติอย่างใดก็าตามที่เป็นไปพระความสงบระงับแห่งนิวรณ์ทั้งหประการลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะเมื่อการศึกษาสมมิกเรื่องนิวรณ์ก็ควรจะศึกษาเต็มรูปนะฮะตามที่ส่งแสดงเอาไว้แล้วก็ควรมีรายละเอียดมากคือประเด็นแรกก็คือกรมฉั น, นนิวรณ์ที่ปรากฏภายในจิตนินลักษณะของการมฉั น, นทะเนี่ย มันเป็นกิเลส ท, ที่ไม่แรงไม่แรงมากเกินไปนะฮะมันเพียงแต่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจคือไม่ออกไปข้างนอกนะฮะถ้าออกไปข้างนอกก็ไม่เรียกว่าการมาชันมันก็อาจจะเป็นทุจริตทางกายบ้างทางวิจารบ้างเน่ยก็แล้วแต่แล้วก็พูดเฉพาะความคิดที่มันปรุงปรุงจิตขึ้นมาโดยการจริงๆเนี่ยเราไปเหนียวนึกมาเรียกว่าเราไปปรุงคิดไปคิดปรุงขึ้นมา แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกหล่อนั้นลองสังเกตว่สิ่งที่เราอยากได้ใหม่ๆทั้งหลายเดี๋ยวมันโฆษณาอยู่ตามสื่อต่างๆเนี่ยนะนี่เป็นอันมากที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วความอยากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่คาในใจเราแต่เราก็รับข้อมูลเขาเรื่อยๆสะสมข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็คล้อยตามไปเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับแล้วคนเดียวนี่ยอมรับง่ายนะให้ลองสังเกต ด, ดู การสั่งซื้อของทางอินเทอร์เนต็ตการสั่งซื้อของทางโทรศัพท์การสั่งซื้อของที่เซนแมนก็มานั่งอธิบายให้ฟังแล้วก็ตัดสินใจซื้อเนี่ยคือแสดงให้เห็นว่าจิตใจมันอ่อนไหวไปกับอารมณ์ที่มีการซื้อมาจากข้างนอกเพระยุคสื่อสารตรงนี้เป็นยุคที่ใครก็ตามสามารถสื่อสารได้นะก็เรียกว่ามือหนึ่งถือถุงเงินมือหนึ่งถือสื่อสารได้แล้วก็ งโลกได้เมือนก็บินเกตหเห็นไหฮะคือเขาครอบครุมเรื่องเครื่องมือในการสื่อสารไว้ทั้งหมดรวยขนาดว่ารัฐบาลอเมริกายังหวั่นไหวเลยรวยไม่รู้รวยยังไงอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าจิตใจของคนไปกำหนดด้วยความกำหนัดแตนเรียกว่าสุภาิมิตหรือสุภาสัญญา กำหนดรูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนี้หอมรสนี้อร่อยสัมผัสนี้น่าจะต้องถ้าเราลอง ด, ดูดีเราจะกำหนดเราเองนะฮะเพราะว่าเราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้โดยทําไปเขาเป็นอะไรความรักใคร่พอใจชอบใจนะั้นมันเกิดขึ้นทีหลังหลังจากได้สัมผัสกับต้องได้ลิ้มได้จิมได้ดมได้จะต้องไปแล้วนะจึงเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ แล้วมันก็ไม่ได้ตายตัวคือบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบเอานี้ยายอะไรไม่เคยได้แต่ซ้ําไปแต่ ว, ว่าตอนใดที่ใจเรากําหนดด้วยความกําหนัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกระตุ้นมาจากข้างนอกก็มีแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าเหนีวนึกจึกนึกขึ้นมาภายในใจที่ส่งชช้กันว่าการมวิตกคือจึกนึกไปด้วยอํานาจของความใคร่ในสิ่งที่ใคร่ และสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องอดีตการนานไกลหรือว่าเรื่องไขอยคว้าปรารถนาเอาในอนาคตเป็นโลกแห่งจินตนาการก็ได้นะจิตมันก็สายไปด้วยแรงของการกําหนดด้วยความกําหนัดในอารมณ์เรานั้นทีการที่จิตกําหนดในลักษณะเนี้กําหนดด้วยความกําหนัดในลักษณะนี้คือเห็นว่าให้ความสาคัญแก่รูปเนี่ยก็มีคนตายมาเยอะแล้ว ยาที่ทรงแสดงถึงไพรมความมาชีวิตคนเนี่ยอยู่ในไัยเหมือนก็ลงไปอยู่ในกระแสน้าแล้วก็ทรงยกไปอย่างไัยในน้ำขึ้นมาสี่ไพนะฮะสามไพรที่จริงก็หือโปรแก ร, รมม์ฉันเป็นกิเลสประเภทกามาราคะแล้วไพรหนึ่งเป็นกิเลสประเภทโทสะตานั้นเด็งเราก็พูดเฉพาะกามาราคะนะฮะไพรหนึ่งก็คือไัยประเภทน้ำวน คือจิตจะกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมอย่นดีอยู่กับแสงสีรูปเสียงดินรถปรูนปลาธรรมรมเนี่ยอย่างที่มทหนึ่งก็รณรงค์ที่จะจัดระเบียบสังคมแล้วลองสังเกตว่ามันเลิดไปกันใหญ่สุดขูแล้วสังคมเนี่ยไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงแล้วการทำแท้งเป็นเรียกว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงจนน่าสยดสยอง มาทำไมจิตใจคนตกต่ำลงไปแยอะแล้วเกินแล้วความซับซ้อนในทางเพศหมกผู้นในทางเพศอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นพวกก ร, รมฉันดังนัง้นเป็นวังวนแล้วก็แหล่งเรืองรมต่างๆนะคือถ้าเราไปไปเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วก็ถ่ายรูปมาทั้งหมดเลยถ่ายวิดีโอมาแล้วมาเปิดดูกันให้คนหล่อนั้นแหละเขาดูด้วยในขณะที่สติเขาปกติ เรนว่าเป็นอาการที่น่าสลดถูกต้แต่พราอะไรเพราะใจแก่กําหนดว่ามันสนุกมันมันมันอร่อยอะไรอะไรของแก่แกก็ว่าแกไปเรื่อยๆเรากระเบนข้าวเองแล้วก็มีการโฆษณามีการเชิญชวนเชกชวนนมน้าจิตใจของบุคคลทั้งหลายแม้แต่สิ่งเสียติดมันก็เป็นอย่างนั้นคือเราให้ความสําคัญแกมันมันมีอิทธิฤทธิ์อะไรมันก็แค่เม็ดยาเท่านั้นเองเนี่ยโยนทิ้งหร้อเมื่อไรก็ได้ เห่นแปลกอะไรมันไม่ได้วิ่งกบมาชนเราเนี่ยนะแต่เราไปยอมสยบมันนั้นก็แสดงว่าเราไปประเมินค่าไปตีค่ามันสูงส่งจนยอมสยบตกเป็นทาสของมันแต่ถ้าเราเฉยๆมันไม่มีอะไรอะ่ะคนมันก็เติบโตกันมาในโลกนี้ได้กัน อาตมาเองก็เติบโตในโลกนี้มาด้วยกันก็เมื่อเคยเป็นเด็กเคยผ่านวัยต่างๆมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นมันมันมันไม่ใช่ว่าเรื่องพูดเมื่อเราเป็นคนแก่แล้วแต่ที่จริงเนี่ยเราก็พบเห็นเรื่องนู่นนี้มาแต่เราก็คิดได้อ่ะเราไม่กำหนดเราเราเราไม่เห็นมันอีกมันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปในสถานที่เหล่านั้น คือบางคราวไปในที่ใดที่หนึ่งไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานๆเนี่ยครับเราเดินผ่านแหล่งเหล่านี้ทุกวันเลยแม้แต่มองยังไม่มองเลยคือไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีเกียรติศักดิ์ศรีอะไรโดยการเข้าไปในสถานที่นั้นมันจะทำให้เสื่อมสง่าราศีมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเป็นเรื่องที่นา่าอับอายขายหน้าๆๆได้ซ้ำไปแต่คนไปนี่มือศึกษามากกว่าเราแต่ทำไมเขาไม่ได้คิดละ่ะ นั้นก็เพราะจิตเขาถูกปลุกเราคือทาาของการมาท่าแต่มันแรงนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยคือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันกระตุน้นเร่งร้าวชนชวนเจ้า ช, ชวนยั่วยวนกันด้วยวิธีการต่างๆมันก็กลายเป็นหวางน้ำบนคือหมุนกันอยู่ในฐานที่นั้นนะโอกาสจะขึ้นถอนตัวขึ้นมาเนี่ยจะยากบางครั้งก็เสียผู้เสียคนไปในช่วงนี้นี่ตั้งเยอะก็หลดหายไปนะ หล่นหายไปในกระบวนการของการศึกษาเรียนรู้มันหล่นออกไปเพราะว่าไปปล่อยกายปล่อยใจของตนให้กำนัดเพลิดเพลินในอารมณ์ดอกนั้นอีกหนึ่งภัยคือที่เห็นแกกินนะเห็นแก่ปากแก่ท้องโดมความปวดแากไม่ได้มันเหมือนกับภัยคือจอระเข้นะฮะคือจระเข้นี่เราเหนะ็นว่าก็จะฆ่าแกง่ายนิดเดียว คืออาหารเนี่แกกินโยู่ในกินพักเดียกิกนได้เร่เดือดตายเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะกินในเรื่องเยอะเลยเห็นแก่ความแอะเรต้ารอยต่างๆลองดูสังเกตรพตระตาคารเนี่ยถามมันเข้าไปทําอะไรพระตาขารทําไมต้องกินอาหารพระตาข่ายอาหารที่บ้านทําไม่เป็นนี้ไง แต่เพราะมันไปติดในรูปสวยๆไปติดในเสียงไพเราะไปติดในกลิ่นหอมๆไปติดในรสชาติที่อร่อยไปจิตที่สัมผัสมันไปซื้อบริการให้เป็นอาหารของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ ก, กำนัดเพลิดเพลินจนกับอารมณ์ น, นั้นปนัญหาที่เราแก้กันไม่ได้นี่คือใจคนมันอ่อนแอเท่านั้นเองในที่สุดมันก็มีแต่เรียกร้องมีแต่นักร้องนะ ถ้าเราใช้ความคิดโดยเหตุดยผลแล้วเนี่ยมันไม่เปปรุงมาหรอกไม่เปปรุงคิดไม่ไปคิดปรุงบางเรื่องเนี่ยแม้แต่พระในพุทธศาสนาเองดูเหมือนจะเคยเล่านะเรื่องบัจจิตตาหัตกะคือเรื่องบัจจิตตาตะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะว่าท่านท่านมีก็เรียกว่าเป็นมูลเหตุของปัญหาหลายๆเรื่อง เช่นเรื่องอะไรล่ะหญิงงามสามผัวพึงกลัวโทษชายสามโบสถพึงอย่าคบพึงหลบหนีอย่างที่โบราณนั้นพูดเนี่ยแต่ถ้าเราดูหลักของพระจิตตาตะกะมันไม่ใช่อ่ะพระจิตตาตะกะท่านบวชทั้งเจดครั้งพระวิชาเองก็เคยรัสั่งเลา่ากับพระองค์เองก็เคยบวชทั้งเจ็ดครั้งเป็นกุณฑานบันดิตวลคำว่าสามโบสก็หมายถึงว่าเกิดมาชาติถึงเปลี่ยนาศาสนาสามครั้งมันไม่ใช่ว่าบวชสามครั้ง บวชกี่ครั้งก็ได้ตอนบวชเป็นพระให้ดีแล้วตอนศึกก็เป็นคนดีก็พอก็ไม่ได้ว่าไรอยากบวชก็บวชมันเป็นเรื่องของความสมัครใจเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนตัวบุคคลเหล่านั้นที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติทางไหนก็ได้คือถ้านก็ติดอยู่ที่ผู้หญิงคนเดียวะปัญญาของท่านเนี่ยแตในขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะคือว่าท่านท่านที่นอกนอกวัดแต่ท่านติดเมียในวัดเนี่ยท่านติดอาหารเพราะว่าชาวบ้าน ปักอาหารให้เลี้ยงดูอย่างดีนะฮะได้อาหารมาดีๆแต่ทั้งอาหารทั้งปัญญาเนี่ยเป็นกรารมาขุณด้วยกันเพิ่มก็ดึงกันไปดึงกันมาเหมือนกับชั ก, กเยอะอยากกินอาหารอร่อยก็เลยบวชแต่บวชแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ด, ดีนะฮะคิดถึงเมียก็เลยสึกอยากกินอาหารของอร่อยก็เลยบวชคิดถึงเมียก็สึกก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเนี่ยมันท่านไม่ไปกําหนดด้วยความกําหนัด ก็ได้สิริระเดิมคนเดิมเมียคนเดิมนั่นเองรูปร่างเปลี่ยนไปก็ท้องแก่ก่อนจะคลอดนอนหลับแล้วนอนกลบ น, นำลายไหลรลางวันด้วยนะะท่านก็ยืนดูไปถึงก็ยืนดูเลยยืนดูท่านพิจารณาเห็นเป็นซากศพไปเลยที่จริงชีวิตเราก็คือศพอะ่ะคือศพเป็นแต่นั่นเองเทียงแต่ว่าเราไม่สามารถพิจารณาได้ไม่สามารถทาความเข้าใจได้ พอท่นพิจาาได้อย่างนั้นท่านก็ไปได้เลยนะเหมือนมังกรติดปีกบินไปเลยนั่นก็แสดงว่ากามาฉันเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันปรุงเราเองคือสร้างผีขึ้นมาหลอกตัวเองเฉยๆมันไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารนในเรื่องเราเนี่ยแต่เราไปประเมินค่ามันคล้ายๆกินอาหารเนี่ยสมมติเรากินอาหารเนี่ย ถามว่ากินอาหารเหลวอย่างดีพัตตคาอย่างดีเลยกับกินข้าวราดแกงเนี่ยมันต่างอะไรกันเมื่ออิ่มเมื่ออิ่ ม, มไม่ได้ต่างกันนะฮะเมื่อตอนรู้สึกว่าอาหารผ่านลิ้นไก่ไปแล้วนั่นเองรู้สึกผิดไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าพอกินแล้วก็อิ่มคืออิ่มไปกันเนะ่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษขึ้นมาแต่ว่าคนก็ตกเป็นทาสของอาหารก็เหมือนกับจระเข้นะฮะแกตายมาเผาพันธุ์ก็มันก็ตายเพราะอาหารเนี่ย ในแนวหนึ่งก็คือปลาลายส่งสอนว่าปลาลายก็คือเพศตรงกันข้ามนะฮะหมายความว่าผู้ชายก็ตายได้หญิงผู้หญิงก็มวยวโดยชายเนะฮะนั่นก็เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละฝ่ายต่างไปกําหนดด้วยความกําหนัดแล้วเพลิดเพลินยินดียอมสยบเป็นแมวเชื่องเชื่อตัวหนึ่งเป็นสุนัขเชื่องเชื่อตัวหนึ่งก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาแต่นั้นในแนวของการพิจารณาเนี่ย ถ้าเราขืนคิดอย่างนั้นก็ เ, เรียกว่าปรุงคิดด้วยความสุภาพสุภานิมิตสุภาสัญญาเนี่ยถ้ากําหนดว่ารูปสวยรูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเราะนะกลิ่นนี้หอมนะรสนี้น่าอร่อยนะใจมันก็ไปแหละอย่างน้อยก็เกิดระดับมองกรรมฉันมันกรรมฉันที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะเราปรุงขึ้นมาเราปรุงคิดเราคิดปรุงขึ้นมาเรานึกถึงภาพนะฮะ ที่จริงเวลาเนี้ยมันสื่อสารมวลชนเนี่ยมันแพร่ไปเยอะเลยพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆพวกป่าดงดิบพวกแอฟริกาอะไรอะไรนี่คือเราเห็นสาวงามต่างๆสาวงามแอฟริกานางงามปากเป็ดอะไรอะไรหรือแม้แต่กะเหรี่ยงคอยาวอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี้ยจริงก็น่ากลัวนะภาพร่ า, รางหน้าตาก็น่ากลัวแต่คนที่ถูกปรุงแต่งมาอย่างนั้นเน่ยเขากำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยิน ด, ดีในภาพหลักอย่างนั้น มันก็แสดงว่ามันอยู่ที่การปรุงหรือใจเราไปยอมรับเฉยๆแต่เราไม่ยอมรับมันก็ก็อย่างงั้นนะมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแตรวรกร่ว่ากลิ่นสักแตรวร่ว่ารสสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งทีนี้ถ้าถามว่าที่การมาฉันที่ยังไม่เกิดเนี่ยย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นนี่ก็คือเกิดขึ้นด้วยการกําหนดหมายนะฮะจลองสังเกตเราไม่ได้เกิดเพราะตัวนอกนะนเกิดเพราะใจเราเอง เพราะอะไรเพราะจริงนี้ตรงนี้ไม่มีสากลล่ะร่มสวยไม่มีสากลเสียงไพเราะไม่มีสากลกลินหอมไม่มีสากลรถอร่อยไม่มีสากลสัมผัสที่น่าจับต้องก็ไม่มีสากลแล้วก็ขึ้นเรื่องล้างเนื้อชอบล้างยาใครชอบยังไงก็ว่ากันไปดังนั้นก็สอนให้มองต่อไปว่าอันหนึ่งความละกามฉันที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้น คือกาละ ก, กรรมามฉันนี้เรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ละได้จริงๆนะฮะต้องเป็นพระนาคามีทําให้ถึงพระหลับพร ะ, พระนาคามีแ ล, ล้ว ก, กรร็ละกามฉันไม่ได้แต่นี้โดยคนทั่วๆไปเนี่ยเป็นคนทั่วๆไปอย่างพระอย่างชาวบ้านเราทั่วๆไปเนี่ยคือทํำยังไงว่าอย่าไปไปยอมรับการให้ประเมินค่าเป็นสุภาพไปหมดสวยไปหมดมันมองไม่สวยไม่งามใช่บ้า อย่างน้อยนีนมองไม่สวยไม่งามแต่บ้างเพราะงั้นท่านก็นแสดงไว้ในพระคำพีประปันจะสูทนีท่านบอกว่าให้เรียนนิมิตในสุภากรมมฐานนะเราลองสังเกตในกายานุปัสนาสติปฐานที่พูดมาเนะี่ยตอนดูลมหายใจเข้าออกดูอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนนะดูการเคลื่อนไหวทุกอย่างในร่างกายของเราก็ไม่ค่อยเห็นความไม่สวยงามอะไรเท่าไหร่นะ แต่พอดูอาการของร่างกายที่ปรากฏเป็นอาการทั้งสามสิสองผมขนเล็บขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่าจนถึงมันสมองนี่เห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกระถุงใส่ของสกปรกที่ทรงอุปมาว่าเหมือนกระถุงใส่ไอถั่วระชามาถั่วนั้นถัวนี้ตัวโน้ตเอเทอร์มามันก็ถัววว่วนั่นก็ออกมาร่างกายของเราก็เหมือนกันนะครับโดยจะเห็นว่า มันเล่าหนังไปหุ้มไปเฉยๆถ้าหนังมันหลุดออกไปแล้วก็ความปฏิกูลมันก็ปรากฏแม้แต่เลือดถูกแทงเลือดออกนิดหน่อยเองก็แสดงอาการผิดปกติออกมาแล้วหรือแม้แต่ช่องต่างๆของร่างกายที่ขาดการชำระชะล้างให้ทําความสะอาดมันก็โสกปกปฏิกูลให้เห็นแล้วนะแต่ว่าต้องเรียนบ่อยๆทีนี้บางคนเนี่ยขนาดนั้นอาจจะไม่เห็น มันก็มองถึงแยกเป็นธาตุสี่ลักษณะใดอัน แ, แข้งแข็งแข่นแข็งซึ่งประยุปรากฏอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บฟั น, นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดในกระดูกมา้ามหัวใจตับหังปืดไตไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หานเก่าอนี้ก็เป็นธาตุดินลักษณะหดที่เอิบอาบไหลไปมาได้เช่นน้ำลายน้ำเหงือน้ำโมกน้ำไขข้อน้ำเลือดเลือดเหงือน้ำตาเปรี้มันมันข้นอะไรต่างๆย ที่มาประกอบเป็นตัวเราเนี่ยซึ่บางทีเนี่ยแม้แต่ว่าเรื่องนี้พิจารณาลาบากดูเหมือนเคยเล่าฝังนะว่าละามาเองไม่กล้าพิจารณาพิจารณาแล้วจังคาไม่ได้ขึ้นสายอเย็นหมดเลยนันก็แสดงว่าเราไม่ถูกกันกับกรรมฐานข้อนี้ก็ไปว่ากรรมฐานข้ออื่นเนี่ยเพราะแนวแนวตัวนี้ต้องเรียนบอ่อยๆต้องพิจารณาบอ่อยๆแล้วก็มันเจริญอสุภกรรมฐาน ต้องพยายามเจริญสุภาพกรรมานอยู่สม่ำเสมออาจจะดูศพไปบ้างไปดูตามอะไรต่างๆเมื่อก่อนมีหมออะไรก็เล่าให้ฟังว่าพระขอไปดูเพื่อเจริญกรรมฐานะดูตอนเขาชำละศพเพื่อเจริญกรรมฐานก็ไปยืนพอเขาเริ่มชำละท่นเด่งเงป็นลมหน้ามืดเลยแล้วมาเคยดูทิงลุกขึ้นหนีแะไรกันคือเขา หมอสมานมันตาพรเดี๋ยวก็ผ่าตัดไว้ใจครั้งแรกแเดี๋ยก็ผ่าตัดที่สูนักก่อนแต่ก็ทำเป็นภาพยชน์มานี่มนุ์พระทิวาแต่ดูอิธีการผ่าตัดต่างๆเพราะเริ่มจะผ่าแต่เองหน้ามืดไหลลุกขึ้นกลับกับปกติเลดูไม่ได้มันสยองมากอันนี้คือเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้ที่ท่านวางเอาไว้มากๆเนี่ยคือต้องการให้เลือกเอา มันไม่ได้หมายความมาทุกคนจะต้องเจริญกับกรรฐานข้อนี้กรรมฐานข้อนี้เราจเจริญไม่ได้นะเห็นไม่ผ่าตัดไปชำแหละศพอะไรเราดูไม่ได้เราเห็นไม่ได้เจริญไม่ได้ก็ไ ม, กไม่ก็ไม่ต้องเจริญแต่ว่าเราก็รู้เรื่องอื่นดูเรื่องความปฏิกูลในร่างกายดูผมขนและผนหนังเนี่ยเอาห้าอย่างเนียผมขนและผนหนังเนี่ยที่ตามปกติแล้วชาวบ้านเนี่ยจะสิ้นเปืองเงินทองเพราะผมขนและผ น, นังนี่จะเยอะมากนะฮะลองสังเกต ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ดูแลใจใสบุคคลเรืวองผนังอย่างนเนี้ยมากมายกับกองนั้นแสดงว่านอกจากมันไม่สวยงามจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้แก่จิตใจของบุคคลเป็นนั้นมากอีกด้วยแล้วก็ประการต่อไปก็คือเราอาจจะไปมองอะไรล่ะไปมองตามที่คนนี้ทัศการต่างกันนะ อย่างที่วัดบวรเนี่ยมีตึกพปรเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน แ, แยกร่างกายทุกส่วนของมนุษย์เนี่ยมาเป็นแยกไว้เป็นส่วน ๆ, ๆๆๆๆๆนะให้ไปดูกันแล้วก็สร้างสดต่างๆก็ไปถ่ายภาพมามันมีเครื่องกดแล้วก็เห็นใหญ่ละเอียดเลยนะฮะแต่ดูไม่ไหวอ่ะน่าสยดสยองก็เพื่อจะให้บรรเทาความกำหนัดอย่างน้อยที่สุด น, นะอย่างน้อยที่สุดไม่มีอะไรเนี่ยอย่าถึงกับผิดสีกกามเม มันก็บุญได้เยอะแล้วคือเราคิดคิดไปคิดมาสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แล้วไม่ละเมิดศีลข้ อ, ขอการมีเนี่ยก็บุญแล้วแปลว่าแน่นอนการเรียนมันก็เรียนไปเรื่อ ย, อยแต่ปัญหาสําคัญว่ากิเลสมันบรรเทาลงแต่บรรเทาลงได้ขนาดไหนเอาเอาเท่าได้ก็แล้วกันแหละ ก, ก็ทําไปเรื่อยแล้วก็มันจเจริญนสุภกรรมฐานอยู่ตลอด เมื่อมันเจริญอสุภาษกรรมฐานบ่อยๆแล้วในสุดจะค่อยๆเห็นความปฏิกูลความน่าเกลียดความสกปรกของร่างกายเนี่ยประทมเทศนาของพระเจ้าเป็นอันมากที่เจอกับคนสวยๆนะฮะโดยเฉพาะพระญาติของพระองค์สองสามสองสามองค์ที่เสด็จปาโหนดเนี่ยพระเจ้าเทศกรรมฐานแรงมากเลยเทศอสุภากรรมฐานเนี่ยเพราะแต่ว่าท่านท่านหลงกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในร่างกายของตนเองอยู่ต้งฝั่งท่าไหร ท่านงพโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง่อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังต่างายโดยทั่วกันสวัสดี